เรื่องเล่าผีหลอนตอนเรื่องน่ากลัวบนดอยเรื่องหลอนเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้ไปเที่ยวณดอยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเราจึงนำเอาประสบการณ์หลอนๆนี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังครับครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วเธอได้มีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือณดอยแห่งหนึ่ง ด้วยจํานวนคนที่เยอะจึงพากันเช่าเหมารถตู้เพื่อใช้ในการเดินทางการเดินทางขึ้นดอยแห่งนี้มีเพียงป้ายบอกทางเล็กๆถนนค่อนข้างคดเคี้ยวมากไม่มีรถคันอื่นเลยระหว่างทางด้านบนค่อนข้างสงบมีที่พักและสวนต่างๆสวยงามเมื่อถึงที่พักก็จัดแจงเช็คอินและรอเข้าห้องพัก ซึ่งบรรยากาศดีมากๆแม้แดดจะแรงแต่อุณหภูมิก็ค่อนข้างต่ำเพียงประมาณ 18-19 องศาเซลเซียสเหมาะแก่การมาเที่ยวชมดอกไม้ต้นไม้และพักผ่อนเป็นอย่างมากเมื่อเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติระหว่างรอเข้าห้องพักประมาณ15นาทีหลังจากนั้นได้เดินทางไปยังห้องพักเดินผ่านสวนดอกไม้ตามทางเดินเล็กๆ ก็จะเจอห้องพักเป็นบ้านไม้ซึ่งแยกเป็นหลังๆเรียงรายกันอยู่ด้านหลังบ้านพักก็เป็นป่าด้านหน้าเป็นทางเดินหินกรวดเล็กๆ เ, เมื่อจัดของเสร็จเพื่อนๆบางส่วนก็พักผ่อนกันเพราะมีสมาชิกที่มาเที่ยวบางส่วนเป็นผู้สูงอายุพอได้เวลาเราก็ออกมารับประทานอาหารกันตอนเย็นๆ น, นั่งคุยกันไปทานกันไปจนเสร็จประมาณสองทุ่ม ก็เป็นเวลาปิดของร้านอาหารเด็กๆพาผู้สูงอายุกลับไปยังที่พักบางส่วนก็เดินเล่นถ่ายรูปกับซุ้ดอกไม้ต่างๆเมื่อถึงเวลาพนักงานที่อยู่ในร้านอาหารก็ปิดประตูร้านและกําลังเร่งรีบขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่นี่ทุกอย่างได้ปิดหมดไม่มีคนออกมาเดินเพ่นผ่านไม่มีเสียงผู้คนใดๆรู้สึกเกิดอยากชิลขึ้นมา เลยเดินเล่นเพียงลำพังบรรยากาศโดยรอบมืดมากมีเพียงแสงไฟส่องเป็นบางจุดจากหลอดไฟตามเสาไฟตามซุ้มดอกไม้ตามต้นไม้แล้วก็ดวงไฟหน้าห้องพักฤ ด, ดูหนาวนี้เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามีเพียงดวงดาวสีเงินริประยับมากมายโปรยปลายอยู่บนท้องฟ้าที่ดามืดเธอจึงเดินเล่นไปโดยรอบที่พักโดยถือโทรศัพท์ เปิดหน้าจอสว่างเต็มที่สองเดินตามทางเมื่อเดินไปด้านหน้าทางเข้าถนนเป็นทางตรงกว้างประมาณ5เมตรซึ่งเมื่อลงต่อไปก็จะเป็นถนนโคดเคี้ยวด้านล่างมีดวงไฟเล็กๆจากที่มองดูก็ไม่ค่อยไกลามากจึงเกิดนึกสนุกขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นร้านค้าเลยอยากได้ไอิครีมเย็นๆสักแท่งนึกแล้วก็ฟิน เพราะอากาศตอนนั้นเริ่มเย็นลงกว่าตอนกลางวันกะว่าจะซื้อมาฝากเด็กๆที่มาเที่ยวด้วยกันด้วยเมื่อเดินลงไปเรื่อยๆใช้ไฟจากโทรศัพท์สองเครื่องส่องดูทางขณะส่องได้ในระยะใกล้ๆเท่านั้นตามทางมีกรวดโรยอยู่ทั่วเมื่อเหยียบลงไปก็จะมีเสียงดังสวบๆเป็นเสียงกรวดกระทบกันด้านข้าง เป็นกอหญ้าขึ้นสูงประมาณเกือบเท่าตัวคนลมเย็นๆพัดมาเอื่อยๆบรรยากาศมันเงียบมากมีเสียงมแมลงกับพวกกบพวกเขียดบ้างเป็นระยะเมื่อเดินไปสักพักอยู่ๆก็เริ่มรู้สึกเสียวสลังว่าบขึ้นมาจนต้องหันหน้าไปมองข้างหลังแต่ก็ไม่มีอะไรจึงหันกลับมาเดินต่อแห่หน้ามองท้องฟ้าและมองไปรอบๆพร้อมกับส่องไฟไปด้วย สักพักก็เริ่มมีเสียงก้อนกรวดกระทบกันดังสวบๆในใจคิดทันทีว่ามีคนเดินตามมาจึงหันไปมองตามทิศที่มาของเสียงแต่ไม่เห็นมีใครเดินมาตอนนั้นเริ่มรู้สึกกลัวนิดๆเริ่มคิดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นและเริ่มขนลุกจึงข่มใจเดินต่อพยายามนึกแค่ว่าถ้าเดินถึงร้านค้าแล้วจะซื้ออะไรบ้าง เพื่อข่มความกลัวแต่ก้าวขาแทบไม่ได้แล้วการเดินของเธอเริ่มช้าลงรู้สึกว่าขาจะชาชาขึ้นมาซะ ด, ดื้อเสียงนั้นมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีสวบสวบสวบเหมือนกําลังเคลื่อนตามมาหาเราหากเป็นคนมันไม่ใช่เสียงคนคนเดียวเดินแต่มันเป็นเสียงฝีเท้าของคนหลายคนกําลังเดินตามมา ด้วยความกลัวจึงค่อยๆหมุนจอโทรศัพท์ไปทางขวาพร้อมกับเหลยตาไปทางขวาข้างทางที่มีต้นหญ้าขึ้นสูงทันใดนั้นไม่รู้ด้วยลมแรงอื่อยหรืออะไรบางอย่างหญ้ากอหนึ่งก็แหวกออกมาแต่สิ่งที่เห็นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นตอนนั้นบอกตรงๆว่าสติเริ่มแตกกระเจิงด้วยเสียงสวบสวบของก้อนกรวด ที่เหมือนคนกำลังเดินตามและกอหญ้าที่แหวกออกจึงซ้ายหันและวิ่งโดยทันทีอย่างสุดชีวิตเสียงฝีเท้าสวบสวบสวบมากมายก็ดังตามเธอมาเรื่อยๆตอนนั้นไม่คิดอะไรวิ่งอย่างเดียวพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างสีอ่อนๆคล้ายสีขาวที่กอหญ้าข้างทา ง, ทางด้านหน้าไกลพอสมควร มันโผล่เด่นออกมาจากความมืดมันเป็นสีสว่างเหมือนผ้าริ้วๆที่แม้ไม่ใช้ไฟส่องก็มองเห็นวิ่งเรื่อยมาจนเมื่อวิ่งมาถึงมันจึงหันไปมองด้วยความงงกับสิ่งที่เห็นสมองไม่มีตะ ก, กะไปชั่วขณะเหตุและผลไม่มีในขณะนั้นสิ่งที่มองเห็นเป็นลักษณะของคนยืนอยู่ใส่เสื้อขาวยาวกว่าเสื้อที่เราใส่ปกติเหมือนเป็นชุดคลุมผ่าด้านหน้ายาวลงมาประมาณเขา่า แต่หัวและท่อนล่างมองไม่เห็นมันค่อนข้างมืดจึงเห็นเฉพาะเสื้อเมื่อวิ่งพ้นสิ่งนั้นไปก็เป็นทางเข้าที่พักที่มีโคมไฟติดอยู่รู้สึกอุ่นใจขึ้นมากและทุกอย่างก็กลับมาสู่ภาวะปกติไม่มีเสียงสวบๆตามมาแล้วเธอจึงหันหลังไปมองโดยอัตโนมัติจากจุดที่แสงโคมไฟสาดไปเป็นระยะ ที่มองเห็นสิ่งต่างๆได้ประมาณห6เมตรจากตรงนั้นบรรยากาศที่เริ่มไล่เฉดความมืดมันจะมืดขึ้นเรื่อยๆมองเห็นเป็นเงาดำลางๆของคนยืนอยู่เยอะแยะมากเธอรีบหันกลับทันทีแล้ววิ่งต่อไปจนถึงที่หน้าห้องพักเคาะประตูเรียกอย่างแรงจนกระจกบางๆของประตูไม้หน้าห้องสะเทือนเสียงเหมือนพร้อมจะแตกได้ทุกวินาที เมื่อเข้ามาก็ไม่มีใครถามอะไรเพราะแต่ละคนกำลังนั่งกดโทรศัพท์กันอยู่สองสามคนอีกสองคนนอนหลับไปแล้วจึงเดินพุ่งพรวดเข้าไปในห้องน้ำล้างหน้าล้างตาเพื่อดึงสติกลับมาและคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเธอคิดไว้อย่างเดียวว่าคือผีอย่างแน่นอนคนอะไรเยอะแยะมาเดินในที่มื ด, มดและไม่ส่งเสียงอะไรเลยประกอบกับสิ่งที่เห็น ชุดขาวยาวพลิ้วๆไม่น่าจะใช่เครื่องแต่งกายที่คนปกติจะใส่มาเดินเล่นมืดๆแบบนั้นหลังจากนั้นเธอจึงเข้านอนบนเตียงภายในห้องมีเตียงใหญ่สองเตียงจากประตูห้องเข้ามาด้านซ้ายหนึ่งเตียงตรงที่คนสองสาคนนั่งกดเล่นโทรศัพท์นั่นเองและถัดมาอีกเตียงที่มีสองคนนอนอยู่ด้วยความกลัวเธอจึงนอนเตียงที่สองตรงกลาง นอนตัวคุดคูเขาแทบจะแนบกับหน้าอกพอเช้ามาเธอจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับคนที่บ้านซึ่งคนที่บ้านก็เคยมาที่นี่หลายครั้งเขาเลยบอกกลับมาว่าที่นี่เชื่อกันว่ากว่าจะสร้างมาได้สวยงามต้องแลกโดยชีวิตคนในพื้นที่เพราะการก่อสร้างทั้งถนนและที่พักบนภูเขาสูงนั้นมันเสียงมากทางก็ชัน อาจเกิดอุบัติเหตุกันได้และอีกอย่างคือป่าแถบนี้ในอดีตมีสงครามของคนในพื้นที่เพราะอยู่ใกล้เขตชายแดนเมื่อฟังแล้วเธอก็รู้สึกขนลุกอีกรอบยกมือขึ้นพนมไหว้หนึ่งครั้งคิดในใจว่าข้าพเจ้ามาเที่ยวไม่ได้มาลบหลู่หรือสร้างความเสียหายรบกวนผู้ใดหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จเธอก็เดินออกจากที่พัก จากหน้าทางเข้าออกมาประมาณหนึ่งกิโลเมตรจึงจะถึงทางลงดอยตามที่เมื่อคืนเรามองเห็นตอนลงเธอพยายามจดจ้องอยู่กับข้างทางเพราะติดใจกับไฟตรงร้านค้าที่เห็นมันเป็นไฟจริงๆไม่ใช่เป็นลักษณะเต็นท์เลยแต่อยู่ไกลๆ ล, ลงมาจากทางลงดอยสรุปคือตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงตีนดอยไม่มีร้านค้าเลยถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังเรื่องผี เรื่องลี้ลับเรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ